เรื่องปีใหม่ยกระดับจิตเข้าสู่ธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคยาาผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ตังหลายแม้ปรินิพานนานแล้วพระ อ, องค์นั้นด้วยเศียรกล้าวข้ออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุกทุกประการจึงบังเกิดมีแหลเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกค น, นโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมกทาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคาสั่งซ้อน ของพระพุทธศาสนาขอให้ท่านตั้งหลายจงใดต่างออกต่างใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นําไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์แกต่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะครึ่งมียนวันนี้ ธรรมิกถาในวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปารลบเหตุในอภิลักษิตะสมัยที่คนทั้งหลายทั่วทั้งโลกก็ได้สมมุติกันว่าเป็นวันปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงระยะแห่งท้ายเดือนธันวานและก็ต้นเดือนมกราก็คงยังเป็นโอกาสที่ดีกว่าปีใหม่ที่เราทั้งหลายได้สมมุติกัน แม้จะไปจนถึงกุมภาแล้วมันก็ยังไม่เก่าก็ต้องเทว่ายังใหม่อยู่นั่นเองบรรยากาศของโลกของสังคมโดยทั่ทวไปในช่วงระยะท้ายเดือนธันวาท้ายปีเก่าและต้นเดือนมกราอันที่เราทั้งหลายได้รู้จักกันว่าเป็นปีใหม่เระงงมเส้งแสบไปด้วยเสียงอํานวยอวยพร ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามในสังคมโลกจุด ป, ปัจจุบันโลกมันแคบก็โดยทันหนักทางคริสต์ศาสนาก็วันคริสต์มาสเนี่ก็มาเป็นวันปีใหม่เออเมอร์รีคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียดอยู่นอกจากนั้นก็คำขวัญคำกรอะไรต่างๆแต่งกันมาสละสลวยหมอบพร อ, อันประเสริฐเลืเลื่อได้ชิใจ่าให้แก่กันและกันล้วนจะเป็นการส่งความปรารถนาดีให้แก่กันถ้าเราไปตามตลาด ก็จะเห็นเขาวางทัพสก์ดพวกบัตรอวยพรปีใหม่สอขอสอส่งความสุขสองพันห้าร้อยสามสิบห้ามีรูปภาพนั้นประกอบไปด้วยศิลปะที่งดงามหลากหลายที่แสดงออกมาและก็ข้อความอำนวยอวยพรทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอวยพรให้แก่กันและกัน นอกจากนั้นก็ส่งจดหมายพร้อมทั้งบัตรโพสการสขอสส่งความสุขให้แก่กันละกันแม้แต่าอาตมาเองซึ่งอยู่ในป่าในดงอย่งนี้ก็พลอยได้รับไปกับเขาบ้างอย่างน้อยก็อสองใยได้รับเสองใบนะถ้าเป็นคนธรรมดาคงจะรู้สึกอ้างว้างว้าเหวว่าโอ้นอี่มนุษย์ในโลกเนี่ย มากมายก่ยกองหลายพันล้านคนจะเป็นเหมือนล้านเราวนี่มีคนส่งความศกมาให้สองคนเท่านั้นเองเลยแต่ความจริงแล้วไม่มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจแล้วก็ดีออกดีใจก็บัตรไวพรเหล่านี้บัตรหนึ่งส่งมาจากจังหวัดระยองจากลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆอีกบัตรหนึ่งก็ส่งมาจากทางเมืองร้อยเอ็ด ของหาลูกศิษย์ลูกหาอีกเหมือนกันจะเป็นครูบาเป็นอาจารย์อยู่จำได้ว่ามีเท่านี้อํานวยอวยพรมาเป็นกาเป็นกอนสรุปแล้วก็มีความปรารถนาดีขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญด้วยอายุบรรสุภาพระด้วยอำนาจแห่งพระรตนาตราถ้าเป็นคนโดยทั่วไปก็จะรู้สึกว่าแม้เหล่านี้ช่างอาภัพ ไมตรีจิตมิตรภาพความปรารถนาดีความอบอุ่นในสังคมแท้ๆดูสิทั้งปีทำงานจนเกือบจะไม่มีเวลาพลักผ่อนเดินทางเป็ น, สนแสนหลายแสนกิโลเมตรต่อนหนึ่งปีที่เที่ยวไปเทศนาไปแสดงธรรมพร่ำสอนทุกองการแต่พอถึงวันเช่นนี้เราทำไมอาพับในความรู้สึกของคนทั่วไปอาจจะคิดแต่สาหรับพระรงองค์เจ้า จังอาตมานี่เป็นตนมีความรู้สึกว่าเป็นธรรมดาเฉยๆและยังมีความรู้สึกว่าอ้าวนี่มันถึงปีใหม่อีกแล้วหรือไม่มีความรู้สึกว่าจะเป็นใหม่เป็นเก่าในหัวใจของอาตมามีความรู้สึกเป็นธรรมด า, าธรรมดาเหมือนวันคืนที่มันผ่านไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตะวันขึ้นมันก็แจ้งตะวันตกดินมันก็ขํา เป็นอยู่เช่นนี้ประวัติการแห่งการเวลาก็หมุนเวียนอยู่เช่นนี้ไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่เห็นแต่วความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกอยู่ทุกเมือก็คือความไม่ประมาทน่าจะเป็นความใหม่อยู่เสอเมอก็คือความไม่ประมาทอาตมาได้มีความรู้สึกว่าเราประมาทไม่ได้ ทุกขณะทุกเวลานาทีสิ่งที่มนุษย์รู้ไม่ได้ห้าประการประปุติจาท่ันบอกอันิมิตรธรรมหนึ่งความตายเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าจะตายเวลาไห น, นขณะไหนพร้อมที่จะตายได้ทุกเมือ่อสองชีวิตรู้ไม่ได้ว่าจะเจริญหรือจะรุ่งเรืองอยู่ดีๆวันนี้อวัยวะครบถ้วนกระบวนความวันพรุ่งนี้เวลาต่อไปอาจจะเป็นคนพิกลพิการ ยิ่งอดาดมานี่มีความเสี่ยงอัตราเสี่ยงสูงมากหนังรถไปแสดงทรรวันวันหนึ่งหลายร้อยกิโลเมตรเดือนหนึ่งเป็นหมื่นบเบิลปีหนึ่งก็เป็นแสนแสนกิโลเมตรไม่รู้ว่าจะไปคว่ำจะไปชนจะไปล้มหายตายไปเลือดจะพิกรพิการตรงไหนตรงนี้ต้องเตรียมใจไว้ให้พร้อมว่าวันหนึ่งคณะหนึ่งข้างหน้าเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะเจ็บไข้ใดป่วยหรือจะพิกรพิการหรือว่าจะล้มหายตายไป พระพุธทธเจ้าตรีว่าอนิมิตรธรรมอีประการหนึ่งสิ่งที่เรารู้ไม่ได้ก็คื อ, อสถานที่ที่เราจะทอดร่างจะล้มหายตายไปตรงไหนเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะตายตรงไหนสิ้นใจทิศไหนกลางถนนข้างถนนบันลงพัจบาลหรือจะอยู่ในห้องนอนหลับแล้วไม่ตื่นไปเลยก็ได้อย่างนี้ชีวิตความตาย โลกภัยเขยเิบสถานที่ที่เราจะมาท่อชีวิตลงเราไม่สามารถจะรู้ได้สี่ประการนี้ประการสุดท้ายเมื่อตายไปแล้วขัตติทางไปจะไปสู่นรกจะไปสู่สวรรค์จะไปเกิดเป็นเปรตเป็สุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเทวดามารพรมตรงไหนเราก็ยังไม่สามารถจะรู้ได้อีกเหมือนกันจะต้องไปตามคุณงามความดีตาม บาปตามพุนตามกรรมตามเวรของเราเมื่อเห็นนี้ชีวิตจึงไม่เป็นสิ่งที่น่าจะประมาทได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวปีใหม่จึงจะมาคิดกันทีหนึ่งนั้นมันนานจนเกินไปสามร้อยหกสิบห้าวันเป็นหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าจึงมาคิดถึงเรื่องชีวิตทีหนึ่งนี้มันแย่เกินไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าประมาทจนเกินไป ควรจะต้องมีสติอยู่ทุกลมหายใจตั้งใจศึกษาเรื่องราวของชีวิตเรื่องจิตเรื่องใจของตนเองสิ่งใดที่ควรจะกระทําำควรจะเรีบกระทําอันไหนเป็นกุศลธรรมควรจะเรียบทําอันไหนเป็นอกุศลธรรมความชั่วความเลวที่มันเคยมีแล้วมีอยู่ควรจะรีบพยายามที่จะปลดปล่อยเปลืองประละวางมันออกเสียแล้วก็จเจริญคุณงามความดีทําให้เกิดให้มีขึ้นในใจิตในใจถ้าอย่างนี้ก็ต้องถือว่า ไม่ประมาทอาการนั้มนะมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีความหมายสำหรับวันปีใหม่ก็ดีปีเก่าก็ดีไม่มีความรู้สึกจะแปลกแตกต่างอะไรแต่มีความรู้สึกว่าทุกวินาทีแห่งชีวิตจะต้องไม่ประมาทแล้วก็จะต้องสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ประโยชน์นั้นสามประการพระพุทธเจ้าของเราห่านกล่าวอัตถังวาหิพิคเวสัมปสมานเ น, นะ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อใดเธอได้มองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของตอนก็ตามอาลลเมวะสมควรแล้วนั้นเทีย่ยวที่จะยังประโยชน์นั้นคือประโยชน์แห่งตอนอปมาเทนะสัมปาเทตุมด้วยความไม่ประมาณเมื่อใดมองเห็นประโยชน์ตนที่ได้เกิดมาแล้วในโลกเนี่ยควรจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตนเพื่อจะเป็นเนื้อหาสาระแก่ชีวิต เช่นคุณงามความดีต่างๆที่จะนําตนเองไปสู่ความสวัสดิภาพปลอดภยัยไปสู่ชีวิตใหม่ถ้าจะเกิดใหม่ก็ให้มันดีมันงามถ้าจะไม่เกิดวันนี้ก็ขอให้มันชื่อกับคุณงามความดีท่านจึงบอกว่าอตัตถังวาหิภิกเทวสัมปสมาเนเมนะอะระเมวะปะมาเทนะสัมปาเทตุง้งดูก่อนพิสุทธิทั้งหลายเมื่อใดเธอมองเห็นสึ่งประโยชน์ตนอยู่อดี ก็สมควรแล้วนั้นเทียวที่เธอเ ท, อทอั้งหลายจะพึงยังประโยชน์แห่งตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทต่อมาฮั่นก็พูดถึงประโยชน์ของคนอื่นปรัชถังวาหิพิคเวสัมปสมานนณะละเมวะอั ป, ปมาเทนะสัมปาเทตุง้งดูก่อนกสิ่งทั้งหลายเมื่อใดเธอมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของชนเราอื่น โยก็ตีก่อสมควรแล้วนั้นเทียวที่จะยังประโยชน์ของชนเหล่าอื่นนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทในการกระทาคุณงามความดีในการกระทากิจกรรมใดๆก็าตามเพื่อประโยชน์ตนกอดีประโยชน์ผู้อื่นก็าตามต้องทําด้วยความไม่ประมาทสุดท้ายท่านก็สลบว่าอุปยัตถังวาหิพิคเวสัมปสมาเนเนณะอะระเมวะอปมาเทนะสัมปาเทตุ้ง เมื่อได้เธอมองเห็นปโยชน์ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์ตนประโยชน์ของส่วนรวมก็สมควรแล้วนั้นเถยวที่จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นของส่วนรวมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเพราะเหตุ น, นั้นชีวิตทั้งชีวิตมันก็รวมอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองพระพุทธเจา้าของเราท่านัสว่าดูก่อนพิ่ทังหลายรอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายในโลกนี้ ด้วยความใหญ่ก็ตามด้วยความยาวก็ตามจมเยียบยมรวมลงในรอยเท้าช้างได้ชั้นใดกุศลธรรมคุณงามความดีทั้งหลายที่มีอยู่ในชีวิตจมรวมลงในความไม่ประมาทเท่านั้นคือถ้าไม่ประมาทแต่อย่างดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีจะงามจะรวบรวมเอาคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ชีวิตได้ด้วเหตุ น, นี้พรปีใหม่ที่แท้จริง ที่ทุกคนปรารถนานั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาเอือ้อมอํานวยอวยพรมาโอนให้กันได้เหมือนเงินอยู่ในธ น, นาคารในนี้บรรยากาศของโลกมันเต็มไปมด้วยความหลอกลวงซึ่งกันและกันก็นกอภัยเจ้บว่าหลอกลวงตนเองทุกกระทมขมเขินหน้าไม่อกพรมโยกก็มาแกล้งว่ามีความสุขมากขออํานวยอวยพรส่งความสุขให้แก่เธออย่างโน้นคุณอย่างนี้ ที่แท้ผู้ที่อวยพรให้ผู้ที่โอนคุณงามความดีให้เพื่อนก็เต็มไปด้วยความทุกข์มันจะเป็นไปได้หรือนอกจากส่งความทุกข์ให้แก่กันและกันคำว่าพรพรพรพ ร, พรนั้นพวกเราจะงเข้าใจกันผิดพลาดไปอีกด้วยพรมาจากคำว่าวรรสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ตระถนาในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าฐานะ ฐานะแปลว่าสิ่งที่จะเพึงได้จะพึงมีจะพึงเข้าถึงได้สี่ประการบางทีก็ห้าประการมีอายุวันนะสุขะภาระอย่างนี้โภคอย่างนี้บางทีก็จะเป็นกลุ่มว่าอายุวันนะสุขภาระอาทิปไตยความเป็นผู้มีอายุยืนความเป็นผู้มีวันนะผิวพันุ์พุทพองความเป็นผู้ มีความสุขทั้งกายทั้งใจความเป็นผู้มีกำลังจิตกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตไปดำรงอยู่ดำเนินไปด้วยดีและความเป็นผู้มีความเป็นใหญ่ในต้นไม่ถูกอานาจสิ่งใดมาครอบงำไม่ใช่อานาจกิเลสอานาจของปัญญาหมาเรียกว่าอธิปไตยบางทีก็อายุวันนสุขภ า, ารปฏิพานความเป็นผู้มีวาดสุดุ้งมีความเป็นจูอย่างอิสระเสรี สิ่งต่างๆเหล่านี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านใช้คํำวา่าฐานะแต่เราก็มาให้พรซึ่งกันและกันขอให้ท่านจงเจริญรวยอายุวันะสุขพระละปฏิปันธนสา น, น, าานอะไรต่างๆสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดนั้นในทางพุทธศาสนาเรียกว่าฐานะสิ่งที่ควรจะได้จะถึงกันได้ด้วยการกระทําของตนเองไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะอํานวยความสให้ แต่นี่สิ่งที่เราเรียกว่าพรพ ร, พรไปบอกความประเสริฐสิ่งที่ดีที่งามก็ไม่มีอะไรเกินกว่านี้แต่พอรอในทางพุทธศาสนานั้นหมายถึงสิทธิอันชอบธรรมที่จะพึงมอบที่จะพึงอนุ ญ, ญาตให้แก่กันและกันได้แต่ผู้ที่ให้พรนั้นจะต้องมีสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่น อาไดะมาเห็นทันผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขุนยมสุพรสุพสรซึ่งท่านผู้นี้หน้าอนุโมทนา น, นะ่นะเสนระเสริญเริญจอ starch. ตลอดเวลาที่ท่านมาอยู่ในจังหวัดสกลนครสองเดือนแรกนี่เกือบจะไม่ได้อยู่ในสาลากลาง ทันที่โยตเวนตะลอนตลอดไปถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยอำเภอใหญ่อำเภอโตเลยต่าง ๆ, ๆ ท, ที่อยู่ไย่ยมโยนประชาชนจนคนไม่รู้จักว่าเป็นผู้วาราชการวันหนึ่งอาดามาเสเดงทำอยู่ที่บ้านกุดนาคามกับพวกเยาวชนที่ทำงานอยู่ในศูนย์ศิลป า, าชีพกาลังแนะนาอบรนเยาวชนอยู่ ที่กําลังทํางานนำให้รู้จักทราบซึ่งถึงคนณค่าพ่ะบรารมีปกเก่าปกปกรหม่อมของพัญหาเจ้าพระบรมราชาชีพนาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนให้เขารู้จักคุณค่าแห่งชีวิตที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยที่อุดมไปด้วยรัตนะาคือคุณงามความดีสิ่งประเสริฐเปรียบเทียบความเดือดร้อนวุ่นวายในประเทศต่างๆพูดถึงเสียงที่เขาได้รับคือพระมหากรุณาธิคุณแต่ทํางานทํากิจมีวิชามีอาชีพและก็พูดถึงว่าเขาจะต้องตั้งอยู่ในธรรม ในการพัฒนาจิตใจตนเองไม่หดืมเนื้อลืมตัวหัวป้ายพูดไปจนถึงการที่เขาจะต้องรู้จักมีชีวิตจุอย่างประหยัดเป็นอยู่อย่างประหยัดดําเนินชีวิตการกินการดูอย่างประหยัดการใช้ชีวิตอย่างประหยัดตลอดไปจนถึงแม้จะแต่งงานแต่งการกันหม่องคนสมรู้รรยก็ให้มันประหยัดขึ้นไม่แต่การกินก็พูดไปจบและคือในที่เทศอยู่แทนกามา มากับคุณนายซึ่ง่คนทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าใครมาขับรถมาจอะก็มานั่งฟังเทศแต่อามารนั้นรู้แล้วพอคุ้นเคยทํานเขวัดเขาวาเป็นประจำพอจบก็เปิดโอกาสเชิญท่านมาพูดกับลูกหลานเยาวชนท่านก็พูดพูดคํานึงท่านให้พรให้พรเยาวชนแต่เยาวชนคงไม่รู้ท่านบอกว่าเอาทุกคนที่มาฟังเทศท่านอาจารย์ในวันนี้ลูกหลานทั้งหลาย จำอะไรได้ไหมที่ท่านอาจารย์พูดใครจําอะไรได้เอาเขียนจดหมายว่าวันนั้นได้ฟังเทศของท่านอาจารย์แสดงทำในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของชีวิตว่าท่านเทศอย่างไรท่านสอนอย่างไรใครจําได้อย่างไรให้เขียนไปส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกล น, นครที่ศานักการจังหวัดแล้วท่านผู้ว่าจะรับ จะอ่านดูว่าใครที่จดจำได้คำสั่งสอนของท่านได้มากๆแล้วท่านจะได้รับรางวัลค่าตอบแทนจากท่านกูวราจการจังหวัดให้เขียนไปเลยนี่แหละคือพรแต่เราไม่รู้จักวันนั้นคือท่านให้พรพรแปลว่าสิทธิอันชอบทำสิทธิพิเศษที่ควรจะได้ควรจะถึงอย่างพ่อแม่บอกให้หลวกไว้ลวกเลย <c oughs> จงตั้งใจอาวา่าเชื่อจงใโอวา่าเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อของแม่จงกระทำตัวให้ดีตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะลูกนะอย่ามัวไปเที่ยวเล่นอย่ามัวไปคบเพื่อนที่ไม่ดีแม่างาะมันจะเป็นเสนีดยด่างไรยแกชีวิตแต่หากปีนี้ลูกสอบได้เปรตแถวนั้นเท่านี้นนหรือว่าลูกสอบผ่านฉะนั้นจะนี่พ่อแม่จะให้ารางวัลพ่อจะ ซื้อนาฬิกาให้หรือว่าพ่อจากซื้อเครื่องเรียนที่ดีๆงามหรือว่าพ่อแม่จากซื้อรถโมอเตอร์ไซค์ให้สักคันหนึ่งนี่คือพ่อแม่ให้พ่อลูกก็ตั้งอกตั้งใจอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ตั้งใจศึกษาเ ร, าเรียนขมขมเ ข, เ ข, เขม่นอยู่ตลอดพอเวลาสอบก็อสอบได้จริงๆตรงนี้แหละสิทธิอันชอบทำสิทธิคือความสําเร็จอันชอบทำนะสิทธินั้นแปลว่าความสำเร็จนะคอยเข้าใจ ความสำเร็จอันชอบทําที่ลูกได้ตั้งใจเรียนจดสอบได้ก็จักได้สิ่งที่พ่อแม่บอกให้ว่าจะมอบให้คืออาจจะให้สอยคอทองคำอาจจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรต่างๆมาให้ลูกหรือศึกษาหรืออาจจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ตามแต่เราได้พูดกับลูกสิ่งนั้นคือพอร พรที่มอบให้กันได้นั่นแหละเป็นสิ่ที่อันชอบทำแต่พวกเรานี่ยให้พรกันเปลอะจะให้ด้วยความเพ้อเพ้ฝันฝันไปเสร็จแล้วคนที่จะให้พรน้าก็เต็มไปด้วยความทุกข์และจะส่งความสุขให้คนเองได้อย่างไรที่นี้สิ่งที่เราให้พรแก่กันคืออายุวันนะสขะุขภาระปฏิพานธรรมสารสมบัติหรือว่าอาธิปไตยความเป็นใหญ่ในตัวเองพระพุทธเจ้าท่านเรียกสิ่งนั้นว่าฐานะ แปลว่าสิ่งที่จกถึงได้จะถึงมี <c oughs> เข้าให้ถึงได้แต่ไม่ใช่คนอื่นที่จะทำให้จะต้องทำเอาเองด้วยเหตุ น, นี้ถ้าท่านต้องการอายุต้องการวันมะต้องการสุขะต้องการพอละที่ให้พรอันตือนกิ น, ก น, กนไปทั้งบ้านทั้งเมืองนั้นท่านจะต้องลงมือประกอบคุณงามความดีการประกอบคุณงามความดีนั้นก็คือตั้งด้วบนความไม่ประมาทเป็นเบื้องตน้น แล้วท่านจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เพราะฉะ น, นั้นในวันปีใหม่นี้อาตมาก็อยากจะอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายพรหมายถึงสิ่งประเสริฐเรือเลื อ, ลอที่จักพลิงได้เป็นสิท ธ, ธิพิเศษสิท ธ, ธิอันชอบทำคือสิ่งที่จะได้มาโดยชอบทำด้วยการกระทําของท่านนั้นอาตมาก็อยากจะอวยพรให้แก่ท่านทั้งหลายโดยทัท่วทวกันให้เข้าถึงฐานะที่ปาธนาะไม่ว่าจะเป็นอายุวันน่ะ สุขภา락เพืพอ่อปีใหม่ในปีนี้ขออํานวยอวยพรใ้ท่านต่างหลายเป็นหัวข้อที่จะจกล่าวในวันนี้ว่าปีใหม่ยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรมนั้นเป็นยอดพอรอันประเสริฐที่สุดคือยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรม จำไว้ให้ดีว่าปีใหม่เราจะยกจิตใจให้เข้าถึงธรรมจิตใจเรายังต่ำํำยู่ยังมีความเพ็นแก่เนื้อแก่ตัวยังมีความโลภความโกรธความหลงมากร่องรอยไปตามกระสเปออำนาจของความเพ็งแก่ตัวความโลภความโกรธความหลงเราก็ไม่เข้าถึงธรรมจะต้องยกจิตใจให้สูงจากสิ่งเหล่านี้การยกจิตใจให้ถึงธรรมก็คือยกจิตใจให้มันสูง พ้นออกมาจากความเห็นแก่ตัวอันเป็นหัวหน้าขอางความชั่วร้ายพ้นออกมาจากอำนาจแห่งความโลภอย่างรุนแรงความโกรธความหลงเต็มอัดแน่นอยู่ในหัวใจร้อยเปิดเสอนให้มันลดลงลดลงลดล ง, ลดลงตามกำลังสติปัญญาของเราที่จะทำได้ทรงท้ายปีเก่าปีนี้ได้อ่านหนังสือพิมพ์มติชนลงวันที่23่ันวาคมที่ผ่านมา พาดหัวข่าวาา ว, ว่าคนไทยฆ่าตัวตายอันดับสองของโลกใ้ที่สองของโลกหลังจากนั้นในหนังสือพิมพ์นั้นก็ได้จำแนกแจกแจงสถิติผู้ฆ่าตัวตายคนแก่46เปอร์เซ็นขาวพ่อขาวแม่คนปู่ค น, คนยา่าลงมาตั้งแต่ข่าวพ่อขาวแม่ขึ้นไป46เปอร์เซ็นฆ่าตัวตายต่อมาก็หนุ่มสาวในไหวหวานไวรักไหวเรียน สิบหกเปอร์เซนต่อมาก็เด็กตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปค่าตัวตายถึงสามจุดห้าเปอร์เซนตที่หนาสลดสังเวชและหนาสะดุ้งตกใจกว่าอื่นใดก็คือว่าพระสงองค์เจ้าในประเทศไทยทำอัตะวินิบาตค่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดาถึงสี่เท่านี่คืออะไรพวก ที่นับถือพุทธศาสนาในบุติสโซฟายต์ในพุทธสมาคมต่างชาติอย่างในอเมริกาในอังกฤษในประเทศฝรั่งที่เขาสนใจพุทธศาสนาตั้งเป็นพุทธสมาคมเขาได้อ่านข่าวนี้อย่างด้วยความโงนสนเท่ว่าเอ๊ะทำไมพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐเลอเลอิศเหมือนจะอยู่ในดาวแดงใดนในวิกฤตการณ์อย่างไรก็ตามพันพวนแห่งธรรมชาติวิกฤตการณ์แปรปวนอย่างไร ผู้ที่ถือพุทธศาสนาเข้าถึงธรรมจะไม่มีภาวะเช่นนี้มีความกัดกุ่อ ม, มน่นมองเป็นทุกข์ใจจนเป็นโรคประสาทจนเป็นป่าตายจนผูคอตายฆ่าตัวตายทําอัตตาวิบากเช่นนี้ทําไมเมืองไทยซึ่งถือว่าเป็นเมืองพุทธศาสนาที่โดดเด่นมาตลอดการจึงมีคนฆ่าตัวตายอันดับสองอีกไม่นานนั้นก็คงจะเป็นอันดับหนึ่งในยางความฉงน สนเทให้เกิดชาว ต, ต, ต่างชาติที่เริ่มนับถือพุทธศาสนาเกิด confusion เกิดความงุนโงงขึ้นมาสำหรับอาตมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันรวดเร็วเกินคาดเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่อาตมาเที่ยวไปจากบ้านโน้นเมืองนี้จังหวัดโ น, น้นจังหวัดนี้เที่ยวปาทกทาแสดงธรรมในที่ต่าง ตั้งแต่หน่วยงานราชการถึงหน่วยงานเอกชนถึงชุมชนโดยทั่วๆไปถิ่นลุงหลวงเมืองกันดารบ้านลึกลับจากคนบ้านา น, นอกตาสีตาซาถึงปัญญาชนระดับด็อกเตอร์ปริญญาถึงพระสองฆ์องค์จ่าที่เที่ ย, ยวสแสดงธรรมที่ได้รับในบุในที่ต่างๆอาดมาก็มาประเมินดูงานของตนเองว่าเราทํางานนี้ยางไม่ได้พ้นเท่าที่ควรแม้จะมีคนสนใจใติดต่อเทพปัญญาทําปีหนึ่งเป็นหมืน่นๆม่ว น, อ, นออกไปเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่า เหมือนเอาถ้วยไปตักน้าในแม่นาม้าได้ผลน้อยยังประเมิอนอยู่ไม่ออกว่ามันจะได้ผลยังไงเห็นแต่มันได้ผลน้อยในความรู้สึกความเหน็ดเหนื่อยของเรานี่ก็ค้งเหนื่อยไปอย่างเนี้ยจนตายกว่าของแ ก, แก้ปัญหาอะไรแก่สังคมไม่ได้มากก็ได้เพียงนิดหน่อยมีความรู้สึกว่าเมื่อใดเราสามารถนำธรรมะของพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่จิตใจของผู้บริหารผู้ปกครองระดับทองถิน ระดับตำบลอำเภอจังหวัดขึ้นไปจนถึงประเทศชาติเมื่อ น, นั้นแหละจึงถือว่าเป็นความสำเร็จของพระพุทธศาสนาในการทำงานของพระสองค์เจ้าอย่างเราแต่ที่นี่ผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตที่มีอภิสิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาในการปกครองในการบริหารออย่างไม่มีความสนใจเท่าที่ควรยังทเพะเป็นประเพณีพอเป็นมารยาทในสังคมเท่านั้นยังไม่สนใจ และบุคคลเหล่านี้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในการที่จะอำนวยความเป็นอยู่การดําเนินไปแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองมากเพราะฉะนั้นจึงมีความรู้สึกว่าไม่นานนะักเมืองไทยเราเนี่ยจะมีความทุกข์มากด้วยอํานาจความปาัถนาที่ร่าเรอนรุนแรงต่อวัตถุเทคโนโลยีซึ่งมันไม่สามารถที่จะนําความสุขมาให้ตลอดไปมันจะนําแต่ความทุกข์มาให้เท่านั้นเมื่อปัถนามันมากไม่ได้ดังใจ เมื่อใดคนไทยยังไม่กลับเขินมาโซซินสุดธรรมที่แท้จริงเมื่อ น, นั้นปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงการเป็นโรคประสาทจะมากขึ้นค่าตัวตายจะมากขึ้นอาตมามีความคิดว่าอีกสักสิบปีข้างหน้าประเทศไทยนี้จะมีการค่าตัวตายมากขึ้นมีความทุกข์มากขึ้นเป็นความคิดเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ถึงสิบปีเหมือนที่คาดแต่มันเร็วเกินคาดปีนี้ส่งท้ายปีเก่าวันพีอยี่สิบสาม ทันว่าที่ผ่านมาข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็ลงข่าวว่าคนไทยค่าตัวตายอันดับสองของโลกแล้วก็ที่น่าสลดสังเวชใจก็คือพระสององค์เจ้าฆ่าตัวตายสี่เท่าของคนธรรมดานี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าบัติธีจิตใจของเราได้ตกต่ามีความเห็นแก่ตัวสูงมีความทะเยอทยานอยากสูง ไม่มีความยับยั้งชั่งใจวางไม่ลงตงไม่ได้ไม่เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเต็มไปด้ยวยความยากดายยากไม่ยากเป็นจนไม่มีโอกาสจะนั่งลงมาพิจารณาทั้งความเป็นจริงของชีวิตด้วยเหตุนี้เองปีใหม่ที่จะมาถึงนี้อาตามาจึงมีความรู้สึกว่าไม่มีพอรอันใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าพลเสดเลอเลอิศไปกว่าการยกจิตใจให้เข้าถึงธรรม ทำอย่างไรพี่น้องจึงจะยกจิตใจให้เข้าถึงธรรมนั้นจะเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดท่านทั้งหลายเข้าถึงธรรมการฆ่าตัวตายในประเทศไทยจะลดน้อยหัวภ้าบลงโลกประสาทจะน้อยลงจนจะถึงที่ระหกระดมหมดไปไหนที่สุดทั้งแรกเคยอ่านแต่หนังสือพิมพ์ว่าประเทศที่จเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีอย่างประเทศอเมริกา ค่าตัวตายมากฆ่าตัวตายสูงในอันดับหนึง่งประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นประเทศที่ตกต่ำยากจนชายแดนติด ก, กันกับอเมริกาเปรยียบเทียบการฆ่าตัวตายแล้วมากกว่ากันเป็นสิบสิบเทา่าถ้าเมือประเทศที่ยากจนจึงมีการฆ่าตัวตายน้อยเป็นโลกประสาทน้อยทั้งนี้เลยทั้งนั้นก็เพราะว่าเมื่อเขายังยากยจนอยู่ความปรารถนาที่รุนแรงเกินกว่าที่เขาจะมีได้เป็นได้นั้นมันไม่มีเขาปรารถนาเพียงว่าทําอย่างไรพอจะมีอยู่มีกินไปวั น, วน เขาไม่ได้บริโภคอะไรมากมายไกลก่อนแต่พวกเราประเทศที่จเจริญแล้วที่พัฒนาแล้วความปรารถนามันมากมากกว่าที่จะได้มาจิตใจก็เลยเปาะบางการฆ่าตัวตายก็เพิ่มขึ้นแต่ก่อนได้ยินข่าวว่าอเมริกาค่ะตัวตายอันดับหนึ่งต่อมาญี่ปุ่นกวางหน้าบัดมีเก้ามาถึงประเทศไทยอันดับสองปีหน้าอาจจะเป็นอันดับหนึ่งของโลก เมื่อก้าเข้าไปสู่ความเป็นนิกจิตใจก็ถถกนอกด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเพราะเหตุนั้นเองปีใหม่ที่จะมาถึงควรจะให้พรก็ว่าปีใหม่ยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรมท่านผู้ได้จาาของเราท่านกล่าวด้วยความที่สุดทั้งหลายมนุษย์ในโลกเนี่ยมีอยู่สามประเภทท่านหลายหลงช่วยฟังดูว่าสามประเภทเป็นฉชน่นไหนึ่งพวกอนุโซตคามี สองปฏิโสตขามีสามพวกถิตัดโตเนี่ยท่านพูดไว้อย่างนี้นะทิตัดโตพวกอนุโสตคามีนี่พวกหนึ่งคือพวกที่อาตมาแปลเอาเองว่าพวกไม่พัฒนาพวกที่สองปฏิโสตคามีพวกที่กำลังขมักขมันในการพัฒนาตนเองพวกที่สามทิตัดโต พวกที่ได้พัฒนาแล้วคือพัฒนาจิตพัฒนาใจของตนเองแล้วจนพ้นไปจากปัญหาแห่งชีวิตจนพ้นไปจากความทุกข์ผู้ที่เรียกว่าทิตโตนั้นแปลว่าผู้มีการตั้งตนมั่นแล้วแปลภาษาบาลีนี้ติมโนปารคโตเป็นผู้ข้ามโอคะถึงฝั่งผู้ข้ามทั้งฝั่งแล้ว บุคคลประเภทนี้แล้วก็ลองมาเปรียบเทียบดูพวกเราว่าเราจะเป็นประเภทไหนประเภทที่กําลังพัฒนาหรือประเทศที่ไม่พัฒนานั่น development หรือพวกที่ post d e v e l o p m e n ผ่านการพัฒนาไปแล้วอันนี้น่าคิดจึงเอามาเปรียบเทียบดูให้เราทั้งหลายในพินธีพิจารณาจะได้เป็นพรปีใหม่สดใสสาบซ่า ถ, ถึงปีใหม่แล้วยกเครื่องแห่งจิตใจรถยนต์เครื่องยนตทั้งหลายที่ใช้งานมานานพอถึง ปีถึงเดือนผ่านพ้นไปเมื่อเราใช้งานมันมามากๆเราก็ยังรู้จักยกเครื่องปอกลูกสูบมันล้วมพวกเครื่องยนต์มันร้วมแล้วเราก็ยังรู้จักยกเครื่องชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อใช้ชีวิตมามากได้ผ่านความดีผ่านความชั่วผ่านความสมหวังความผิดหวังผ่านความสุขความทุกขม์ามากแเราก็ควรจะได้มาตั้งตัวใหม่พิจารณาใหม่พัฒนาจิตพัฒนาใจตนเองให้มันดีมันงาม เพราเห็นนันปีใหม่ยกเครื่องแห่งจิตแห่งใจแห่งชีวิตก็ได้แต่วันนี้อาดามาขอใช้ัำว่าปีใหม่ยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรมเพื่อเป็นการให้พรแก่ตนเองคือสิทธิอันชอบทำที่ตนเองจะได้แล้วก็ฐานะที่ควรจะเข้าถึงอายุวันนสุขภาระ นี่คือฐานะที่บุคคลควรจะเข้าถึงด้วยการกระทำของตนเองพระพุทธเจ้าวะด้วยกรพิสุททั้งหลายพิสุผู้ไปตามเส้นทางแห่งพระบิดาของตนเองสิ่งที่เป็นโคโจรคือทางที่ควรไปตามทางแห่งบิดาของเธอคือสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้เธอย่อมบรรลุถึงฐานะอายุวั น, นสุขะพลละโคคะ อายุนั้นจะได้มาด้วยการจเจริญอิทธิบาทสิส่วนวันะผิวพรรณอันผุดผ่องงดงามจะเพิงได้มาด้วยสินเมื่อตนเองมีสินประพฤติปฏิบัติตั้งมัน่นอยู่ในสินงดงามหน้าตาก็แจ่มใสเบิกบานเพราะไม่กินเน้ยงแขงใจไม่เหน่าในเปียกแฉะไม่ติเตียนตนเองคนอื่นก็ไม่ติเตียนตนเองก็ไม่กินเนียงแขงใจตนเองหน้าตาก็แจ่มใสสําหรับผู้ที่ตั้งอยู่ในสินอย่างนี้สินนั้นจะทําให้เกิดวันะ ส่วนสุขะจะได้มาจากฌานการเพียนเพ่งจนจิตใจสงบรำงับมีอำนาจเนื้อจิตอยากจะสงบเมื่อไหร่ก็ได้คว้างปัญหาต่างๆออกจากจิตใจแม้จะยังเป็นโลกิยชนอยู่ก็ตามแต่ก็สามารถจะปิดสวิตจิตใจที่มันร้อร้อนไปสู่ความสงบได้ฉับพลันซัตเดนรีทันทีมีเจโตวัสีมีอำนาจเนื้อจิตสามารถที่จะเพ่งฌานเข้าไปสู่อารมณ์อันหนึ่งอันเดียว ที่เรียกว่าเอกังลัมมนังจิตตังเอกาที่ผาโมมีจิตไปสู่หนทางอันเดียวมีจิตอันเอกผุดขึ้นปริโยธาโตพุทธผ่องแจ่มใสแล้วจะโน้มน้าวจิตไปไปสู่ความสุขแบบไหนกระดายช้านที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ซึ่งพระพุทธเจ้าว่าอายุาได้มาด้วยธรรมที่เรียกว่าอิทธิบาทวันละได้มาด้วยธรรมที่เรียกว่าสิน สุขะได้มาด้วยธรรมที่เรียกว่าฌานพละกำลังอายุวันะสุขะพละพละได้มาด้วยอปมัญญาพอคะพล ะ, พล ะ, พละออปมัญญาคือความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเปรียบเสมือนพอคะอันยิ่งใหญ่ไปไหนก็ไม่อาพับอับจนกระขครจิตใจมันเต็มไปด้วย ความสู่ความเบิกบานแจ่มใสซึ่งเป็นสุดยอดแห่งทรัพแห่งโพคะส่วนจากโพคะแล้วก็ภละภละนั้นได้มาด้วยปัญญาคือวิมุตติภาพหลุดพ้นจากกองทับแห่งมารทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาบีบคั้นจิตใจให้เป็นทุกข์นั้นมันไม่มีใ จ, ใจิตใจมีสติปัญญาวิชาวิมุตติความรู้และความหลุดพ้นได้เกิดขึ้นเพราะนั้นอายุวน่ะสุขภาละ ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนั้นก็คือการตั้งอยู่ในธรรมสี่ประการคือสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อมีสติปัฏฐานทั้งสี่แล้วก็จะรวบรวมเอาธรรมที่จะก่อให้เกิดอายุวันนะสุขภะขึ้นมาคืออิทธิบาทสีแล้วก็สีนอย่างนี้แล้วก็ฌานแล้วก็อปปมัญญาแล้วก็มาถึงวิชาวิมุต นั่นคือพรในทางพุทธศาสนาฐานะที่จะเข้าถึงขอให้ไปตามร่องรอยแห่งพระบิดาทางที่เป็นโคจรแห่งพระบิดาของเธอที่พระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ดําเนินมาจะได้ออกนอกทางเช่นนั้นอันนี้คือพรเพราะเหตนั้นบัดนี้ปีใหม่มาถึงแล้วพรฐานะอันประเสริฐที่ควรจะเข้าถึงเราก็ต้องมายกระดับจิตใจของเรายกจิตยกใจของเราให้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐเหล่านั้น ด้วยการมาพิจารณาพัฒนาตนเองอย่าได้หวังลมๆแรงๆเพอ้อเพ้อฝันฝันกับพรที่เขาเอื้ออววํานวยอวยพรให้แก่กันแหละกันยังหน้าไม่ยังออกตรอมอยู่หลอกลวงทั้งตนเองทั้งผู้เอื่นว่ามีความสุขแล้วก็ส่งความสุขให้แก่กันและกันาท่านสาวธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตัดไว้ว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกมีปรากฏในโลกสี่จำพวกเป็นชนไหนคือบุคคลผู้ ไปตามกระแสมีประเภทหนึ่งและบุคคลผู้ทวนกระแสมีประเภทที่สองประเภทที่สามบุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้วและประเภทที่สี่บุคคลผู้ไม่ต้องตามไม่ต้องทวนไม่มีความกังวลใดๆคือผู้ที่พ้นถึงฝั่งแล้ว กระแสของกิเลสตัณหากระแสอันจะนำไปสู่ความทุกข์ทางปวงอันจะนำไปสู่อ บ, บายอันจะนำไปสู่ความเสื่อมถ้าหากเราหมวดตามกระแสเหล่านี้อยู่อาจมาจึงแปลเป็นใหม่เป็นคำหม่ว่าบุคคลผู้ที่ไม่พัฒนานี่ประเภทหนึ่งและประเภทหนึ่งคือผู้ที่กําลังพัฒนาตนเองพวกที่ทวนกระแส และอีกประเภทที่สามบุคคลที่พัฒนาตนเองไปได้เยอะแล้วได้ตั้งครึ่งแล้วส่วนประเภทที่สี่นั้นบุคคลผู้ผ่านการพัฒนาจนจบขบวนการพัฒนาเพราะนั้นพรปีใหม่ที่อาดามาจะเอื้ออำนวยให้แก่ท่านก็ชักชวนท่านตั้งหลายมาพิจารณาถึงตัวท่านเองว่าเดี๋ยวนี้ท่านเป็นผู้ตามกระแสหรือเป็นผู้ทวนกระแสภาษาบาลีว่าอนุโสตคามี บุคคลผู้ตามกระแสกระแสของจิตของใจกระแสของอารมณ์กระแสของกิเลสตัณหามันอยากทอย่างไรก็ทํามันยาพูดอย่างไรก็พูดมันยาคิดอย่างไรก็คิดไปตามมันเฮ้นี่จิตใจดีมันไหลลงไปทางต่ำเหมือนกับน้ําต้องไหลลงทางต่ําไม่ไหลขึ้นบนยอดเขามีได้ไหลจากที่สูงลงที่ต่ําจิตใจเราก็เหมือนกันไม่ได้ผ่านการพัฒนาการฝึกการปือการฟื้นอารมณ์มันย่อมไหลไปตามอารมณ์ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่เกิดจากใจเข้ามาทางตาทางหูทางจก้มอกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อถูก อ, อกถูกใจก็แล่นไปตามกระแสนั้นสแสวงหาสิ่งนั้นวิ่งว่อนทะเยอทยานอย่างเมื่อไม่ได้ดังใจตามที่เราวิ่งไปตามกระแสเมื่อนั้นความทุกข์ควา ม, วามเดือดร้อนความเศร้ามองความวัฏมคมขืนก็เกิดขึ้น เมื่อเกิดความทุกข์ก็พยายามที่จะออกจากทุกข์ก็โดยวิธีพักดันต่อสู้ก็นอกจากความโลภเกิดแล้วความโกรธระก็ตามมาเมื่อโลภอยากได้เมื่อไม่ได้ดังจากก็เกิดความไม่พอใจก็เกิดทุกข์เกิดโทษเลยว่าเกิดโลภแล้วก็ตามมาด้วยโทสะหลังจากนั้นก็ถึงโมหะลุ่มหลงว่าโชคนี้โลกนี้ช่างโหดร้ายทารุณต่อชั้นเลยเกินปัตตานาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นชั้นช่างอาภัพอภิภาคเลยเกินในที่สุดก็ เป็นทุกข์มากก็เป็นโลกประสาทเมื่อเป็นโลกประสาศหลงก็มากๆบางทีทนไม่ได้ก็ตายเสียเถอะใหญ่อยู่เลยโลกนี้เป็นโหดร้ายทารุณต่อฉันเลยเกินค่าตัวตายก็มากขึ้นเป็นโลกประสาทมากขึ้นนี่คือบุคคลผู้ไปตามกระแสจิตกระแสใจเรียกว่าไม่พัฒนาตนเองภาษาบาลีว่าอนุโสตะคามีต่อมาก็ผู้ที่พัฒนาคือบุคคลประเภทที่สองบุคคลผู้ไปทวนกระแส ภาษาบาลีว่าปฏิโสตะคามีผู้ทวนกระแสผู้ทวนกระแสนี่เป็นอย่างไรอารมณ์ใดที่ตาได้เห็นรูปใดที่ตาได้เห็นเสียงใดที่หูได้ยินกินใดที่จมูกได้สัมผัสรสอันใดที่ถูกเข่ากับลิ้นสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอันใดที่ถูกเข่ากับกายอารมณ์อันใดที่ใจนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาจากสัญญาจากเวทนาจากวิตตกใดๆก็ตาม ไม่ไปตามกระแสนั้นพอใจก็ไม่ไปตามกระแสพอใจไม่พอใจก็ไม่ทําตามความไม่พอใจแต่จะจ้องมองดูอยู่จะฟื้นสิ่งเหล่านั้นถ้าหากมันจะเกิดโทษเกิดทุกข์พระพุทธเจ้าของเราจึงบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเสพกามทั้งหลายและย่อมกระทํากรรมอันเป็นบาปนี่เราเรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแสดูความที่สวงรายบุคคลผู้ทวนกระแสเป็นชนะัยบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไม่เสพกามและย่อมไม่กระทํากรรมอันเป็นบาปแม้มีหน้านองเบ็ดน้ําตาร้องไห้อยู่เพราะประกอบด้วยถูกบงังเพราะประกอบด้วยโทมนับ์บังก่อประพฤติตนเองให้มันดีมันงามเรียว่าประพฤติพอมาจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นี่เราเรียกว่าบุคคลผู้ทวนกระแสแตัวนี้สําคัญมากคือบุคคลผู้พัฒนาตนเองแม้จะถูกกิเลตันหาอารมณ์ที่ป่าถนาเร่าร้อนบีบคั้นอยู่จนร้องไห้น้ําตาไหลหนองหน้า ก็ไม่ยอมก้มหัวให้แก่อารมณ์นั้นไม่ยอมก้มหัวให้แก่ความชั่วอยากจะทําชั่วยังไงไม่ทําฟื้นใจเว้นการกระทาที่ชั่วแม้ว่ามันจะเร้าจิตเร้าใจมีความปาเ่นนอยากจะทําใจจะคารรอนน้ำตาไหลอาบแก้มน้องหน้ามาไม่ยอมทาไม่ก้มหัวให้แก่มันอย่างนี้เรียกว่าฟื้นความรู้สึกทวนกระแสปฏิโซตคาเมนี่คือการยกระดับจิต ยกระดับจิตให้เข้าถึงความเป็นจริงสิ่งที่มันถูกใจมันอาจจะไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นมันอาจจะไม่ถูกใจการยกการฟื้นจิตใจจากอารมณ์ที่ตนเองปรารถนาความชั่วช้าลามกทั้งหลายนั้นเรียกว่ายกระดับแห่งจิตแห่งใจเพื่อไปสู่ความถูกต้องไม่ใช่กระทําตามความถูกใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงบอกว่าบุคคลผู้ทวนกระแสนี้จะไม่ทําบาปกันแม้มีหน้านองด้วยน้ําตา ร้องให้โยเพราะประกอบด้วยทุกบ้างและประกอบด้วยโทมันัตบ้างก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างสมมุติว่าบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าชีวิตของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นเป็นชีวิตที่จะต้องทวนกระแสะมากมีตาก็ไม่ได้ดูสิ่งที่โลกเขาดูสนุกสนานอย่างที่เขาร้องลัมทาเพลงเขาหนุ่งน้อยหอมน้อยชัชว่ววับชั่วว่าโป๊ะโป๊เปื่อยๆ แม้มีตาก็ฟื้นใจไม่ดูไม่มองมันแม้จะเห็นก็จะหลับตาไวจะเบือนหน้าไปทางอื่นจิตใจมันดิน้นรนอยากจะดูอยากจะเห็นแม้ไม่มีใครบังคับว่าศึกไปก็ได้นะไม่มีใครบังคับเขาคู่เขาตะลางมีสิทธิ์ที่จะศึกไปได้แต่ไม่ศึกไปตามอำนาจจิตกิเลสตัณหาโคมจิตขมใจฟื้นประพฤติทำน้ำตาไหลหนองหน้าก็ยอมอย่างนี้มีหู ก็ไม่ฟังเสียงที่จะก่อให้เกิดอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ก่อให้เกิดโทษเกิดทุกเกิดความปาา่าเถื่อนนะเราลอนเสียงขับเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำอะไรต่างๆฝืนใจไม่ฟั ง, ท, งทั้งทั้งที่มีโอกาสจะฟังได้มีวิทยุก็ไม่ฟังเสียงเพลงเหล่านั้นเท่าไรทัศก็ไม่เอามันมาดูมามาชมอันนี้เลยบอกฝืนควรกระแสที่เราปฏิโซตะคาเมแม้จะอยากศึกออกไปอยากจะไปเป็นคารวะอยากจะไปดําเนินชีวิตแบบคารวะ ก็ไม่ยอมออกไปยอมทนทุกทรมานฝืนความรู้สึกที่ว่าแม้มีหน้าที่น้องด้วยน้าตาร้องให้จุเพราะประกอบไปด้วยความทุกข์เพราะประกอบไปด้วยโทรมนันนัทที่มันบีบคั้นจิตใจความป่าเถื่อนาไฟต่ํานั้นแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมไปตามกระแสแต่จะทวนกระแสเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเลยว่าผู้ทวนกระแสปฏิโซตะคามิ ควนฝื้นจิตฝื้นใจเว้นจากโทษจากความชั่วจากทุกทางปวงแม้อยากจะทำใจจะขาร้อนๆแม้มีโอกาสจะทำได้ไม่ทำไม่ยอมอ้มหัวให้แก่ความชั่วส่วนคุณงามความดีมันทำยากแม้ไม่อยากทาก็ต้องทาตื่นมาดึกๆเดินๆไม่อยากลุกก็ต้องลุก มานั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาแม้จังหวงเ้าเงานอนสปะปงกสปงังงักไม่ยอมนอนกับมันให้มันนั่งทรมานกิเลสอยู่ตรงนี้กิเลสเดียทรมานเรามาแล้วหลายแสนชาติบัด น, นี้เราจะทรมานมันขึ้นยืนเดินนั่งนอนขับไล่ความง่วงขับไล่นิวรธรรมออกไปสมัยอื่นอีกเมื่อเราฟื้นไปฟื้นไปฟื้นไปก็ปจะถึงภาวะที่ตั้งมัน่นอยู่กับความสดชื่นแจ่มใสหมายกว่าฟื้นใจเว้นชั่ว แม้จะน้ำตาหนองด้วยเต็มหน้าไปหมดร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าก็จะฟื้นใจเว้นจากการกระทําชั่วแม้จะร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าก็จะฟื้นใจข่มใจสร้างแต่สิ่งที่มันดีบันงามเมื่อฟื้นไปฟื้นไปฟื้นไปฟื้นไปในที่สุดก็จะเกิดเป็นความเคยชินเรียกว่าทิตตโตผู้ตั้งมั่นแล้วไม่ต้องฟื้นต่อไปคือผู้ตั้งมั่นนั้น ไม่มีโอกาสฝืน้นในที่นี่พระพุทธเจ้าของเราท่านตัดว่าตั้งแต่ปุถุชนผู้เป็นคนธรรมดาแต่ฟื้นใจประพฤติคุณงามความดีจนมาถึงพระอาริยเจา้าฉันตนตนโสดาบันสกิทาคาอนาคาพอมาถึงอนาคาแล้วฉันเรียกว่าทิตัโตผู้ตั้งมันอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมานั่นรีเทอร์เนอร์ภ า, าษาฝรั่งก็ว่างผู้ไม่กลับมาไม่ว่าไม่กลับม า, มบมาสู่อารมณ์ของโลก แม้ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่เหมือนคนธรรมดากินข่าวกินปลาเจ็บปวดรวดเล่าไปทายในห้องสอุดจาปรปัะสาวัเหมือนกับคนเราแต่จิตใจไม่กลับมาเพื่อจะเป็นคนอย่างคนปุถุชนธรรมดาอย่างเราแม้นางฟ้าแห่กันมาทั้งสวรรค์ท่านก็ไม่มีความพิศวาพิศวองเอ็นเตอร์เทนเมนต์อะไรเลยและก็ไม่มีการบังคับใจของตนเองเพื่อฝืนสิ่เหล่านั้นเรียกวัตถิ ตโตผู้ตั้งมั่นแล้วไม่ต้องฟื้นใจมีแต่จะด่วนไปข้างหน้าไม่กลับมาทําอาสวะสังยโยช์เบื้องตําโอลำภาเฮียสังยโยช์สิ้นไปแล้วที่นี้ก็เหลือแต่อุทธมภาเฮียสังยโยชน์อีกห้าประการเบื้องบนสุดท้ายเมื่อท่านตั้งมั่นแล้วท่านก็มีเจ้าเจ้าไปสู่ความสิ้นทุกข์ในที่สุดก็จะถึงฝั่งตินโนปาระคตโตผู้ถึงฝั่งคือผู้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่พวกเรานั้น ยังไม่เป็นพระอรหรันยังไม่เป็นพระอริยะเจ้าแต่ก็จงเป็นผู้พัฒนาฝื้นจิตฝืนใจเข้าทํานองคนโบราณที่บอกว่าขั้นปล่อยตามขบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟือนขมแล้วย่ามใดเคลือเขาห้อมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยผัดเตาคมไม้กระว่าคนเรานั้นมีสองประเภทเหมือนประเภทที่เป็นอ้อยแล้วก็ประเภทที่เป็นบอระเพ็ดภาษาภาคอีสานว่าเคือเขาห่อ ภาษาภาคกลางกว่าเถาบอระเพ็ดที่มันแสนจะขมเมื่ออ้อยอยู่เฉพาะ อ, อ้อยอ้อยนั้นก็มีรสหวานหวานชื่นอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อวันเวลาใดเผาบอระเพด็ดแดงมาเดื่อพันต้นอ้อยลําอ้อยนั้นนานๆเข้ารสหวานของอ้ออ้อยนั้นก็ค่อยๆกลอยกลายมาเป็นรสขมที่มันขมนั้นเพราะว่ามันอนุโสตะขามี มันไปตามกระแสลอยไปตามกระแสของอ้อยอของของบรุระเพศส่วนบรุรเพศนั้นเมื่อมาเกี่ยวมาพันหลําอ้อยแล้วทำไมบรุระเพศจึงยังรักษาควา ม, มขมเข้ามันไปได้ทำไมมันจึงไม่หวานไปกับอ้อยบ้างล่ะหมายก็ว่าเผาบรุรเพศนั้นมันปฏิโซตะคามีมันเป็นตัวทวนกระแสไม่ไหลไปตามกระแสที่มันเข้ามาโกพันคืออ้อยนั้น คนเราในโลกนี้ก็มีอยู่สองประเภทคือประเภทที่ตามกระแสและประเภทที่ทวนกระแสอย่างลูกเต่าของเราหรือพระสองฆ์องค์เจ้าทั้งหลายบางคนอยู่กับพ่อกับแม่ดีงามพอไปโรงร่ำโรงเรียนก็ยังเชื่อฟังครูบาอาจารย์แต่เสร็จแล้ววันหนึ่ง ก็ไปพบเพื่อนที่ไม่ดีไม่งามค่อยๆเปลี่ยนนิสัยที่ดีที่งามมาโซโบูรีมากินเหล้าเมายาในที่สุดก็ล้มและเลิ่อไปตามกระแสอำนาจแห่งกิเลสตัณหาลอยไปตามนะั้นก็กลายเป็นลำอ้อยที่ต้องกล่อยคมไปกับเขาหอบอระเพ็ดด้วยเหตุนี้คนบราณจึงบอกว่าขั้นปล่อยตามขาบวนอ้อยลำหวานบะมีเฟือนคมแล้วงามใดคือเขาหอมมาก่อกีเกี่ยวลำอ้อยผัดตาวคม เราจะต้องมาพัฒนาจิตใจของเรายกระดับจิตใจของเราให้มันเป็นเถาบบรพเพชฌเหมือนบรุรพเพชฌที่ไม่ยอมหวานไปกับอ้อยไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆถ้าเป็นพระสองอฆ์จ้าก็เหมือนกันเดียวกับครูบาอาจารย์าพาฝึกพาหัดกอเป็นผู้ตื่นดึกลุกเชา้าเจริญสมาธิภาวนารับผิดชอบต่อหน้าที่การงานรักษาพระธรรมในไว้อย่างดีงาม แต่วันดีคืนดีส่งไปเรียนหนังสือไปอยู่กับโมขะขณะในเมืองนิสัยที่เคยฝึกมาอย่างดีกับครูบาอาจารย์ค่อยๆเจือจางลางลาแล้วก็กลายมาเป็นการกระทํากับโมสององค์เจ้ายังอยู่ในเมืองจะทําทอย่างไรก็ทํามีฐานะมีความเป็นโย่ปล่อยไปตามจิตตามใจตามกิเลสตามตำหาไม่มีการรู้สึกฝืนเลยลักษณะเช่นนี้แหละที่เรียกว่าอนุโสตะคามีด้วยเหตุ น, นี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึง แบ่งไว้เป็นสี่ประเภทพวกที่ตามกระแสเรียกว่าพวกไม่พัฒนาตนเองนั่น d e v e l o p m e n ส่วนพวกที่ฟื่ที่ทวนกระแสก็เรียกว่าผู้ที่พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาพวก development ส่วนผู้ที่ฝฟื้นทวนกระแสไปถึงที่ตั้งมั่นไม่ต้องเฟื่อไม่ต้องทวนอย่างน้อยถึงอนาคามีไม่ยอมกลับมาสู่โลกแม่นอนเที่ยงแท้ที่จะปรินิพานที่จะหมดกิเลสตัณหา พวกนี้เรียกว่าทิตตโตผู้ที่ตั้งมั่นแล้วผู้ที่ถึงฝั่งหมดกิเลสตัณหาถึงเวทหมดความทุกข์ทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปปรินิพานแล้วคำว่าปรินิพานนั้นไม่ใช่ตายนะคอยเข้าใจกิเลสตายไม่ใช่ตัวคนตายตัวคนตายนั่นเรียกว่าตายพาซาบาลีเรียว่ากระทากาละมรณะบ้าง คือตายนั่นเองแต่กายกายสสะเพทางปรมมรณาเนี่ยแต่กายทำลายขันเล้วตายเรียวกายทางกายแต่ส่วนบรนิาพานนั่นหมายก็ว่ากิเลสมันตายตายทั้งทั้งนี้ชีวิตยังมีอยู่ยังเดินยังเดินยังไปยังมาความทุกข์มันตายไปจากจากิตใจจนไม่มีโอกาสจะทุกข์อะไรขึ้นมาหมายก็ว่าผู้พ้นจากความทุกข์ตินโนปาลคโตผู้ถึงฝังี่ฟังให้ดีด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าของเราห้าเคยตัดใบว่าดูก่อวาที่สุดทั้งหลายที่สุดในธรรมวินัยนี้ผู้ออกบวชแ ล, ล้วด้วยุจสตาเธอตั้งหน้าตั้งตาประพฤติพรหมจรรย์แม้จะถูกกิเลสตัณหาบีบคั้นเธอร้องไห้จนน้าตาไหลนองหน้าเพราะเหตุแห่งความทุกโภมนัตจากกิเลสตัณหาบีบคั้นแต่เธอก็ตั้งอกตั้งใจฟื้นใจประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ําตาร้องไห้จนน้าตาไหลหนองหน้า เธอไม่ยอมสลับเพศอันสูงสู่เพศอันต่ําเธอประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ําตาเป็นปฏิโซตะคามีบุคคลบุคคลผู้ฟื้นผู้ทวนกระแสเรากล่าวว่าเป็นยอดนักรบในธรรมวินัย น, นี้เพราะฉนั้นปีใหม่มาถึงเรามาเป็นยอดนักรบเรามาเป็นปฏิโซตะคามีมาเป็นผู้ทวนกระแสเป็นผู้พัฒนาตนเองไม่ต้องลอยไปตามกระแสแห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสสัมผัสอารมณ์ตามกระแสแห่งกิเลสตัณหา เมื่อเราฝืนเมื่อเราทวนนานเข้านานเข้ามันก็จะกลายเป็นความเคยชินไม่ต้องฝืนไม่ต้องทวนเว้นจากการกระทำความชั่วโดยไม่รู้สึกว่าบังคับใจเองให้ให้เว้นเพราะมันกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็ทำคุณงามความดีในเนื่อในตัวในจิตในใจทั้งกายวาจาใจเป็นกุศลกรรมบดการกระทำคุณงามความดีโดยไม่ต้องฝืนใจทา การเว้นจากความชั่วโดยไม่ต้องฟื้นใจเว้นเพราะมันกลายเป็นปกติกลายเป็นความเคยชินเสียแล้วไม่ยอมก้มหัวให้แก่ความชั่วน้ำตาไหลนองหน้าก็ไม่ยอมก้มหัวลงไปสังเกตดูเราทําชั่วเราก็ยังต้องฝึกลองคิดดูวเวลาเราสูบบุหรี่เรากินเหล้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องมาฝึกเอาร่างกายเขาไม่ได้ปาถนาไม่ได้ต้องการควันบุหรี่เต็มไปด้วยนิโคตินมิเตยาพิษทางนั้นร่างกายไม่ ปาฏนาแอนกอฮอลิกไม่ปาถนาเหล้ายาเรามาหัดสศมใหม่ๆทั้งไอทั้งจามปวดหัวมัวเก่าสมักคับแค้นเราก็ยังอุตสาหฟื้นเดี๋ยวนี้เลยว่าปฏิโซตะคามี ฟื้นทวนกระแสของธรรมชาติทางร่างกายร่างกายมยายักในควันพิษแต่เราก็ฟื้นยัดเยียดเขานาน้เขานานเข้านานเขานาน้ามันก็เลยกลายเป็นที่ตัดโตตั้งมั่นในร่างกายไม่ต้องฟื้นสูบเวลาใดก็สบายออกดังตัวตวดออกจมูกเลยไม่ต้องฟื้นกลายเป็นการไม่ต้องฟื้นสศพแต่กลายเป็นสน่ห์อัาถะใหม่ขึ้นมานี่เป็นอย่างนี้กินเหล่าเมือนกันกินแล้วปวดหัวมัวเก่าหลากักอาเจียน ออกมาจนจะล้มจะตายฟื้นทั้งค่อมทั้งคืนร่างกายเขาไม่ได้ปาธนาะแต่ก็ฟื้นยัดเยียดปฏิโซตะคามิงทวนกระแสะความปาธนาะธรรมชาติของร่างกายนานนานเขา่ากลายเป็นความเคยชินไม่ได้เซฟไม่ได้ซูปไม่ได้ดืม่มไม่ได้กินมันจะตายให้ได้ต้องไปหามาปอนมันเราก็มาทําความดีอย่างนี้ ทำความดีฟื้นเว้นจากการชั่วฟื้นใจสั่งคุณงามความดีฟื้นใจเจริญสมาธิภาวนาขี่เกียร์แคนไหนก็ลุกขึ้นมาทําเดิกเดินขีเกียรแคนไหนบังคับใจให้หนังสมาธิเดินจงกรมทีเกียร์พิจารณาอย่างนั้นก็บังคับใจให้มันพิจารณานานๆเข้าเมื่อเราฝืนเข้าฝืนเก่าวมันก็ถึงความเคยชินเป็นทิ ต, ตัดโตถึงภาวะที่ตั้งมันวันนั้นไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาวันนั้นเป็นอันใหม่เพิดใหม่เพิดใหม่หนาอยู่ เนี่ยไปทําอะไรมั น, มนเหน็ดเหนื่อยเดินทางมาเป็นยี่สิบกิโลสามสิบกิโลก่อนจะนอนก็ขอให้ได้นั่งสมาธิสก่อนไม่ได้นั่งแล้วมันเป็นทุกข์มันไม่สนุกสนานมันไม่เพิดไม่เพิ่มมันขาดอะไรบางอย่างตื่นขึ้นมาก็เป็นอันเคยชินมาจากตรงนั่งสมาธิสก่อนไม่นัง่งไม่ได้มันไม่ปลอดโปร่งไม่หล่งใจไปทํางานทําการมันก็ไปทุกข์ให้มันหิวคุณงามความดีหิวสมาธิหิวภาวนาอย่างนี้ จนกลายเป็นยาเสพติดชนิดนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดกับสามมณีจุนทะวทะถาห่างมีนักบวชพวกปริพาชกอัญญะเดลทีอเจรรทั้งหลายมาตําหนิติเตียนว่าธรรมนาพามเหล่านี้เป็นผู้เสพติดเธอทั้งหลายอย่าได้ไปเฉียงกับเขาหนาะเขาพูดถูกแล้วบอกเธอทั้งหลายเสพติดคือเสพติดฌานเสพติดการเพ่งอยู่ในสมาธิภาวนาแต่การเสพติดชนิดนี้มันไม่ได้ซื้อสักบาทมันเป็นสิ่งที่ควรจะเสพติด เพรานั้นเราก็มาเสพติดสมาธิภาวนาเดินมาเจริญสมาธิภาวนาเดึกเดินง่วงนอนก็ขับไล่มันไปเดินจงกรมบ้างหนังบ้างเมื่อหายไป แ, แเ้าจิตใจที่สงบลงกลับมาเพ่งพิจารณาอยู่ตลอดมารู้จักตัวเองมารู้จักความรู้สึกในจิตในใจรู้จักภาวะแห่งจิตแห่งใจรู้จักธรรมชาติแห่งกายแห่งเวทนาแห่งจิตแห่งความรู้ทั้งหลายที่เราปฏิทำ พูดง่ายก็คือสติปัญญาสี่ทวะภาษาอีสานว่าหูเมื่อขี้มูเมื่อค่วมหูเมืม่อใจหูเมื่หมอหูอยู่ตลอดเช่นนี้มันจะไปไหนจนมันติดกันถ้าอย่างนี้พรปีใหม่ก็จะเจริญแก่ท่านตลอดกาลดีนี้ปีใหม่เรามายกระดับจิตใจเราจะไม่ไปในสถานที่มันไม่ดีไม่งามเราจะไม่ไปคบคนชั่ว ที่ใดไปแล้วจิตใจจะกำเริบเสฟสานในทางชั่วที่นั้นเราไม่ไปที่ใดไปแล้วจิตใจจะดีจนงับจะสงบจะรำงับเราจะฝืนใจไปที่นั้นที่ใดเราจะไปด้วยความสะดวกสบายแต่ไปแล้วจะทําให้ยิเลตันหาลุกฮือฮือขึ้นจังจะไปในส่องในครับในบาหรือจะไปในสถานที่ที่จิตใจเราจะแตกกระเจิงหลงระเริงไปกับมันไม่ไปแต่ที่ใด ไปแล้วจิตใจจะสงบระ ง, งับจะมีสติมีปัญญาที่ได้ดทานแสดงธรรมที่ได้ทันฝึกอบรมสมาธิภาวนาบวชในขมัติจารีในขมัติจารีนี่ชีภาพแม้ไม่อยากไปโขบบังคับใจไปฟื้นใจไปอาบุคคลใดไปแล้วครบแล้วทให้จิตใจเราหลงไปกับบุคคลเหล่านั้นในทางที่ไม่ดีไม่งามไปแล้วจะอดใจไม่ได้จะไปเล่นไฮโล ก, กับเขาจะไปกินเหล้ากับเขาจะไปสนุกสนานก็ไม่ไปหาหัวมันเลยคนคนนั้น เรียกว่าเว้นสถานที่ชั่วเว้นบุคคลที่ชั่วแม่อยากจะไปใจจะขาดก็ไม่ไปแต่บุคคลใดไปแล้วทำให้เราสงบรางับทำให้เรามีสติมีปัญญาทำให้เรารู้สึกแกล่วกลา้าร่าเริงในการประพปฏิบัติ ด, ดีงามมีกำลังจิตกำลังใจแม้ไม่อยากไปก็บังคับจิตใจไปอย่างเช่นไปฟังเทศไปฟังธรรมไปฮากูบาอาจารย์ที่แนะนําท่สอนใจไม่อยากไปก็บังคับมันไปฝืนมันไป อย่างนี้คือไปคบคนที่ดีกันระยาน้ำมิตตาหาคนที่ดีๆงามๆที่จะเป็นสภาพแวดล้อมแก่จิตแกใจเป็นผีเลี้ยงแก่จิตแกใจเป็นผู้ปรึกษาที่ดีที่งามจะไม่ไปสู่ปาปามิตรคนชั่วปีใหม่เราจะไปสถานที่มันดีเราจะเว้นสถานที่มันชั่วช้าปีใหม่เราจะไปพบคนที่ดีๆเราจะเว้นคนที่ไม่ดีไม่งามที่จะพาเราไปทําชั่วไปพูดชั่วไปคิดชั่วหลังจากนั้นปีใหม่นี่ เราจะพูดแต่สิ่งที่ดีเราจะทำแต่สิ่งที่ดีเราจะฟื้นใจเว้นจากการพูดชั่วเราจะฟื้นใจเว้นจากการ ทำชั่วเราจะฟื้นใจทำแต่คุณงามความดีแม้จะถูกความชั่วเราใจจนร้องไห้น้ำตาไหลานองหนาจักไม่ยอมก้มหัวให้แก่มันอย่างนี้เรียกว่าพัฒนาตนยกจิตจกใจของตนเองให้สูงขึ้นเว้นขนชั่วเว้นสถานที่ชั่วเว้นการคิดชั่วผูชั่วทำชั่วฟื้นใจครบคนดีฟื้นใจไปหาสถานที่มันดีมันงามฟื้นใจกระทำแต่สิ่งที่ดีที่นักอย่างนี้จึงเรียกว่า ปฏิโสตขามีทวนกระแสแห่งอารมณ์ความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราทวนมันเข้าทวนมันเข้าชวนมันเ ข, ข้ามันก็กลายเป็นความเคยชินโดยไม่ต้องทวนกระแสเลยกลายเป็นทิตโตผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับความชั่วไม่หวั่นไหวกับคุณงามความดีที่จะต้องมาบังคับกันแต่มันจะเป็นสิ่งที่ทุกที่ต้องที่ดีที่งามอยู่ในจิตใน ในเนื้อในตัวในจิตในใจตลอดการคนอื่นจะยก่องก็อตามสั้นเลืเซรนก่อตามจติตชิ้นนินเทายังไงก็ตามไม่หวั่นไหวอย่างนี้เลยว่าทิตัตโตผู้ตั้งมั่นแล้วก็นแน่นอนตินโนปาระคโตที่จะข้ามพ้นทึ้งฝั่ง เพราะนั้นชีวิตนี้จะต้องมาพัฒนาปีใหม่มาถึงแล้วควรจะตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่กับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วให้เป็นดีหัวเผือกหัวมันครบหนึ่งปีมันทวีขึ้นมันใหญ่มันโตขึ้นกว่าเก่าแต่พวกเราหนึ่งปีทวีคุณงามความดีขึ้นบ้างหรือหม่หรือหนึ่งปีทวีชั่วเอาแต่ความชั่วมาเพาพูนกินเหล่าเมายาหัวหกคนผิดอย่าเดมัวประมาทเลย พระพุทธเจา้าธรรมะอจเจนติกาลาตระยันติรติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันตีวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งไหวเกาะละไปโดยโดยลำดับโดยลำดับอายุก็ใกล้เข้ามาอีทั ง, ทงพระยังบรเนอเปกขามาโนเมื่อมีภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้าจะมาถึงดูลมล่อแล้วท่านบอกว่าวปุญญานิกยีราถสุขาวหาณิจงรีบสร้างแต่คณงามความดีอันจะนำสุขมาให้ หรือท่าจะให้สูงยิ่งกว่านั้นอีทางพยังมลเนเปขมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายมีรออยู่เฉพาะนานนี้แล้ว โลกามิสังปะชะเหสันติเปโขจงคายเย่ในโลกสีมงสุสันติสุขเทดิดนี่การคำว่าคายเยในโลกนี้แหละคือการทวนกระแสปฏิโซตะคามีคือการยกระดับจิตใจอยู่ในโลกคืออะไรอยู่ในโลกคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรส คือสัมผัสคืออารมณ์ที่ยั่วยุนที่ถูกอกถูกใจชอบอกชอบใจปิยะโลเกสาตรโรเกปิยะรูปังสาตา ร, รูปังความรักความพอใจที่มีอยู่ในโลกสึ่งเหล่านี้คือเหยื่อเหยื่อเราจะต้องคายเหยื่อคายความรักคายความพอใจในหูบในเสียงในกินในรสเืินจิตเืินใจเสียงที่เรา เราจิบเราใจรูปที่ยั่วยวนจิตใจให้ไหลลงเราก็ฟื้นใจขายออกมาจากสิ่งเหล่านี้ไอ้นี้เรียกว่าพยายามขายเหยื่อเหยื่อกับอาหารไม่ใช่อันเดียวกันถ้าอาหารแล้วเป็นที่ตั้งแห่งร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตกินแล้วไม่มีโทษส่วนเหยื่อที่เขาเลี้ยงปลาเหยื่อที่เขาเลี้ยงไก่นะเขาเลี้ยงไวเ้เพื่อจะฆ่ามันเพื่อจะขายตัวมันเขาจึงไม่เรียกว่าอาหารเขาเรียกว่าเหยื่อ ด้วยเหตุนี้ในวันปีใหม่มาทางนี้ขอให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้รู้จักข่มจิตข่มใจฟื้นอารมณ์ขมอะไรทวนกระแสแห่งกิเลสปัญหาคายเหยื่อในโลกได้เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขความสงบความทุกข์ก็จะมีน้อยลงผล่นปีใหม่ก็จะสำเร็จแก่